สัจจานิเทศ402ทุกขานิโรธาทามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นแลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ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 ความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธทคขามินีปฏิปทาภิกสุทั้งหลายนิ้วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกรรมความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคํหยาบเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุลดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุลดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุลดเว้นจากการประพฤติผิดในกามภิกษุททั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น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 พยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่ง ม, มั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้สองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่สามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่สี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสงัดจากรามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมมัจานที่มีวิตตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่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 กล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะลาสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจะตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขะนิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจ403ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริย ส, สัจ4อยู่อย่างนี้แลหมวดสัจจะจบธรรมานุปัสสนาจบอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน4ประการ404ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีเจ็ดปีจงยกไวบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี6ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอด5ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัต h ผลในปัจจุบันหรือเมื่อ ย, ยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี5ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอด4ปี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 3ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอด2ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีสองปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอด1ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีหนึ่งปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7 เ, เดือนพึงหวังได้ผลหนึ่งอย่างในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเจ็ดเดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอด6เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี6เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอด4เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี5เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสตลอดสเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีสเดือนจงยกไว้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 บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสตลอดครึ่งเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีภิกษุทั้งหลายครึ่งเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเจวันพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่าง คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี405ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริวเทวะเพื่อดับทุกขโทมนัสเพื่อบรุญยญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการเราอาศัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพณ น, นามาชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบมหาสติปัฏฐานสูตรที่9้า